ในพึงพากันตั้งใจให้ดีอย่าง่วงเหงาหานอนอย่าปล่อยให้จิตฟุ้งส่านไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ได้เมื่อควบคุมจิตได้แล้วมันก็ได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นการที่เราทำความดีทุกอย่างก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่เพื่อใครอื่นใดร่างกายนี้เป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นเอง มันไม่รับรู้อะไรดอกร่างครร่างกายอันเนี้ยมันรับรู้สุขหรือทุกข์ก็จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเหี่พิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นเรามาฝึกจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปอย่าให้มันยินดีอย่าให้มันยินร้ายกับอะไร แดนมันก็สบายเท่านั้นเองนะมันลำบากเพราะมันไปเที่ยวยินดีกับสิ่งที่มันชอบใจจะเที่ยวยินร้ายกับสิ่งที่ไม่ชอบใจมันเที่ยวเสียใจเศร้าโศกกับสิ่งที่มันผิดหวังก็มันเป็นทุกข์เดือดร้อนกับเพราะเหตุนี้นะจิตนี่นะ ถ้ามันมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่แล้วก็มันก็สบายไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรก็พราเมื่อมันปรับปรุงให้มันสบายแล้วมันจะอยากได้อะไรที่มันอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่นี่เพราะมันไม่สบายมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวายไม่ใช่อื่นไกลอะไรเพราะฉะนั้น จงพาการฝึ ก, กจิตนี้ให้มันสงบลงไปเมื่อมันสงบลงแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรลนะก็สบายเป็นอิสระเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปหลักภาวนาหลักนี้ทุกคนอย่าไปลืมเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกอ พ่อผกับนึกถึงคุณพระรัตนไกลเป็นที่พึ่งคุณพระรัตนไกลนี่ก็ทิ้งไม่ได้ต้องระลึกถึงเป็นที่พึ่งเลยเพราะว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เนื่องมาแต่รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็น ต้นแห่งพระศาสนานี้ว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดกของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็จึงได้นับถือถ้ารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่เช่นนี้มันก็คงจะไม่มีคนนับถือเพราะว่ามันเป็นทุกข์อยู่เหมือนกั น, น ไม่แตกต่างกันแล้วก็มีกิเลสอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะปัญญาชนทั้งหลายก็คงไม่นับถือแน่อนแต่ น, นี่นะคนทั้งหลายก็ทราบดีว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยลาภ ย, ยสศสรรเสริญ ได้ความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นอยู่นับว่าหรูหราเต็มที่เลยจนถึงกับพ ร, ราชบิดาสร้างปราสาทให้อยู่สามฤดูสามหลังนะฤดูฝนก็ไปอยู่อีกหลังหนึ่งฝนก็ไม่สาดเข้าไปไม่เปียก ระดูหนาวก็บพอย่อีกหลังหนึ่งลมพัดเข้าไปก็ไม่ได้ทำอย่างมิดชิดระดูร้อนก็สร้างแบบโปร่งไปแบบลมพัดเข้าออกได้สบายพระองค์ได้เสวยคความสุขอันเป็นส่วนโลกีนี่ ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปไม่มีใครที่จะเท่าเทียมพระองค์ในตำรากล่าวไว้ว่าพอพระองค์ได้เสวยราชสมบัติเท่านั้นบรรดาประเทศสราชทั้งหลายคือว่าบรรดาพวกกษัตริย์ประเทศสราชทั้งหลายเนี่ย ก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการมาถวายพระองค์อยู่ทุกปีเลยพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยไม่อดไม่อยากอะไรพูดถึงพระรูปพระโฉมก็สวยงามไม่มีใครจะเปรียบได้พูดถึงพระสุรเสียง ก็เป็นเสียงไพรเลาะก็พิ้งท่านกล่าวไว้ว่าเป็นเสียงนกกระเวกอะไรอไรก็เพียบพร้อมไปหมดเลยพระชายาก็พร้อมมูลบริบูรณ์เป็นสมมุติเทวดาพระราชบิดาพระราชมารดาพระญาพระองค์ล้วนแต่จงรักภักดีต่อพระองค์ จะถึงกันนั้นพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าการเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในโลกอันนี้นะมันยังไม่มีความสุขแท้จริงสุขนั่นก็เป็นสุขชั่วคราวแต่มันมีทุกขน์นามากกว่าสุขเพราะการปกครองคนมีกิเลสัณหามากมายนี่มันแสนยากแสนลาบาก พ็ อ, องค์พิจารณาไปตลอดถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่นานปีนานเดือนไปก็สำรุดสุดโทรมไปร่างกายอันนี้ผลสุดท้ายก็แตกดับลงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนจวไม่ทราบไม่ทราบ ว, ว่าจะ ทำความยินดีพอใจอยู่กับของไม่เที่ยงนี่ทำไ ม, มเมื่อของไม่เที่ยงมีของเที่ยงมันคงมีแน่มเมื่อความเกิดขึ้นเป็นขึ้นมีความไม่เกิดมันก็ต้องมีเหมือนอย่างมีมืดแล้วมันก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องแก้ ฉลอยว่าคงจะมีทมอันไม่ให้เกิดอีกก็ต้องมีแน่ดังนั้นจำเป็นเราจะต้องสเสด็จออกบวชเพื่อเสวงหาธรรมไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าจะมาเสวงหาคุณธรรมอันวิเศษไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในพระราชวังนี้ คงจะไม่พบแน่นอนเพราะว่าวุ่นวายอยู่ด้วยกา ม, มคุณทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็จึงได้เสด็จหนีออกบวช <c oughs> ไม่เยื่อใจในราชสมบัติแม้แต่น้อยเดียวเมื่อเสด็จออกไปบวชทีแรก ก็ไปบวชอยู่ที่กลางหาดทรายกลางแม่น้ำเนรันชรา <c oughs> <c oughs> กพรงะองไม่ได้ไปบวชในที่อื่นเข้าใจว่า เกาะกลางแม่น้ำในรันชลานั้นมันมีทรายขาวสะอาดดีบริสุทธิ์ด <c oughs> ีดังนั้นพระองค์จึงได้ขับมา้ากันทกะไปสู่เกาะ น, นั้นแล้วก็ทรงอธิษฐานเพชรเป็นบรรพระชิตโดยการเอาพระขันต์ัดพระเมอรี <c oughs> อันบริขานแปดนั้นในว่าทาวคติการะมหาพรหมนำมาถวายค <c oughs> ติการะนี่ตั้งแต่ครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัตปะนั้น <c oughs> ได้เป็นสหายกันกับพระองค์ครั้งนั้นพระองค์ องพระนามว่าธรรมปาระเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่คติการะอุบาสนี้ได้เป็นพระอนาคามีแต่ได้สหายเป็นมิจฉาทิฏฐิคติการะอุบาสกก็ไม่ยอม พยายามเกียรกล่อมสักจุงสหายของตนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจนได้เมื่อไปได้ฟังทาคำสอนได้เห็นพระรูปลักษณะของพระองค์แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ขอบวชกับพระองค์เมื่อบวชมาแล้วก็มาเรียนทาเรียนวินยัยจนจบพระไกรปิฎก แล้วกระสั่งสอนสานุสิทธ์ไปจนตลอดชีวิตแต่ไม่ได้สำเร็จมักผลอะไรเพราะพระองค์ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มักได้ผลอะไร <c oughs> ในชาตินั้นแหละเป็นอุปนิสัยอันสำคัญ <c oughs> เนื่องจากว่าได้บวช แล้วได้เรียนทรรมเรียนวินัยจนจบเพราะรไกลปิดกนั่นะคนผู้มีบุญมากเป็นอย่างนั้นพวกเราก็สนใจการเรียนเข้าไปนั่นจะทำให้ชีวิตนี้เจริญด้วยสติปัญญาในภพในชาติต่อไป mm hmm. อย่าไปเบื่อนอายต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่ท้อใจว่าอตอนนี้วัสนาน้อยเรียนจำก็ไม่ได้ก็คิดอย่างนี้แล้วก็ท้อใจใช่งดเรียนงดท่องจำ mm hmm. ถ้าไปคิดอย่างนี้แล้วก็ mm hmm. เกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นคนสมองทึบความจำเสื่อมจำอะไรก็ไม่ได้ เพราะว่าพอใจทั้งเสชาตินี้ไปไม่บึกปืนไม่ผนขวายในการเรียนการฟังการจำปล่อยจิตให้ลอยๆไปตามกระแสของโลกส่วนกระแสของธรรมไม่สนไม่พอใจถ้าฝึกใจน้อมใจของตนไป ในกระแสของโลกให้มากอย่างนี้มันก็ติดก่อข้องอยู่ในโลกนี้นานแสนนานนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันเนี้ยเพราะตนพอใจในโลกนี้นี่ไม่น้อมใจไปในทางธรรมทำความพอใจอยู่กับโลกนี้มันก็ต้องติดอยู่ในโลกอันนี้ ติดราคะความกำหนัดยินดีถือว่าความกำหนัดยินดีนี่มีรสอร่อยชอบหลาย<ม>แท้แท้ที่จริงแล้วเป็นของมีพิษอย่างร้ายกาดทีเดียวยิ่งกลัวพิษเสือพิษงูมันนำ จิตวิญญาณของคนไปอับายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นไม่ไม่ใช่เป็นของดีอ่าคนที่จะไปตกนรกอาบายภูมิมันก็ล้วนแต่ตกเป็นทาตของราคะตัณหานี่เองเช่นอย่างบุคคลที่ครองเรือน ไปหมกมุ่นอยู่แต่ในกามมคุณไม่สนใจกับศีล ร, รมแล้วก็การงานก็ลอยหลอย่อหย่อนเพราะไปมัวเพลินอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสพูดง่ายๆว่าทำตนเป็นคนเจ้าชู้นั่นแหละงานการไม่เอาไหนก็ยากจนลง ในที่สุดเขาต้องไปเป็นนักเลงหัวไม้ไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นเขาเลี่ยงชี้ไปเนะอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างนรกให้แก่ตัวเองทำให้ในรับทุกข์ทนทรมานพราะราคะตัณหาเนี่ยเพราะนั้นผู้ใดทราบแล้วอย่าไป ส่งเสริมให้มันหนาแน่นขึ้นไปต้องตัดถอนให้มันเบาบางลงด้วยการเจริญอสุภากรรมฐานเป็นอารมณ์ให้มากอย่าปฏิเสธเรื่องการเพ่งอสุภกรรมฐานเนี่ยไม่ว่าครือหัดไม่ว่านักบวชมันจําเป็นต้องเพ่งครือหัดนั้น เมื่อเห็นอสุภานิมิตเกิดขึ้นในใจแล้วอย่างน้อยก็ไม่กระทําการมเมสุมิฉาจยา์ไม่ไปเล่นชู้จากเมียไม่ไปเล่นชู้จากผัวเป็นนักบวชจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สํารวมในพระปฏิโมกได้เป็นอย่างดีถ้าหากว่า สะสมราคาตันหายมากมันก็ร่วงศิกขาบทวีในได้แม้โทสะโมหะก็เหมือนกันบุคคลใดรู้อำนาจแล้วยอมพาไปสู่นรกอาัยภูมิได้ทั้งนั้นเลยบางคนก็ว่า เ, เราเป็นครือหัดเป็นคารวาดเนี่ย ก็จะไปทำอย่างพระไปได้ที่ไหนมันก็จำเป็นอยู่เองเลียเพราะว่าอยู่คลองเรือนนี่มันก็ต้องไปตามกิเลสอยู่บ้างจ <c oughs> นทำอย่างไรได้เพราะมันออกบวชไม่ได้นี้ <c oughs> พอคิดอย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็เลยไม่สำรวมตนเลย ปล่อยให้กิเลสมันจูงไปตามอำนาจของมันจูงไปให้ทำบาปจูงไปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์ บ, บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกราวมุสาวาดบ้างดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไปเรื่อยๆไปนะี่ทำความชั่วยังไม่กลัวต่อ ความทุกข์มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในโลกนี้โลกหน้าไม่กลัวเลยคนหลงคนเมาเป็นอย่างนั้นคนไม่ได้ภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอแล้วมันมีแต่หลงกับหลงอะหลงนำชีวิตไปในทางผิดทางไปสู่ทุกข์นั่นแหละ สำคัญมากนะทุกคนพิจารณาให้ดีควรตื่นตัวกันเพราะว่าบาปบุญนั้นมีจริงแท้แต่มันมีได้เพราะคนทำถ้าคนไม่ทำมันก็ไม่มีมันอยู่ที่คนต่างหากเมื่อคนเห็นว่าบาปเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์แน่นอนทีเดียวอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำมัน เมื่อไม่ทำมันแล้วบาปมันก็ไม่มีบุญก็เหมือนกันนะเมื่อคนไมพ่พิจารณาเห็นคุณค่าของบุญอย่างนี้มันก็ไม่ทำบุญน ะ, ะก็เป็นนั้นว่าคนเรานั้นเมื่อไม่ทำบุญแล้วมันก็ต้องไปทำบาปมันจะให้มันอยู่เฉยๆแนละ้วมันไม่ได้นะ ไม่ได้มันต้องไปทำบาปเมื่อเมื่อละจากบุญนะเมื่อใจมันมั่นอยู่ในบุญกุศลมากๆเขามันก็ไม่ทำบาปบุญกุศลนั่นแหละดนบันดาลให้จิตเห็นโทษของบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆคนไม่มีบุญแล้วมีแต่ชื่นชมไปในทางเสียไปในทางไม่ดีเพราะว่าจิตมันตกต่าลงไป คนมีบุญนี่จิตใจก็สูงความคิดก็สูงคิดอะไรก็คิดอยากจะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ลักษณะของคนมีบุญย่อมเปลี่ยนไปด้วยเมตตาการุณา <c oughs> อย่างนั้นให้พึงพากันสังเกตดู จิตใจของตนนี่มันเป็นใจบุญหรือใจบาปถ้ารู้ว่ายังเป็นใจบาปอยู่ก็ต้องเพียรพยายามละบาปนั่นแหละใครไม่ละบาปก็พ้นทุกข์ไม่ได้การเพียรพยายามละบาปกับทำบุญไปเป็นคู่กันไปไม่ใช่คนละทีกัน เมื่อบุคคลเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้มันก็ต้องมีเมตตาก็ต้องสงเคราะห์เพื่อคุณซึ่งกันและกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ว่าลาบบาปกับการบําเพ็ญบุญนะมันเป็ น, เ ป, นเป็นคู่กันไป <c oughs> เช่นอย่างว่าเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าอย่างนี้นะ เห็นสัตว an ์ท so ี่ม mm. ันไปแวกว่าอยู่บนบกอย่างนี้ถ้าถ้าไม่จับไปปล่อยมันก็จะตายอย่างนี้ ก็เลยจับเอามันไปปล่อยลงน้ำไปนี่นั่นแหละยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราเมื่อละบากแล้วก็ต้องทำบุญให้เกิดมีขึ้นในตนไปพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อบุคคลไปเก็บของที่เขาตกเรี่ยเสียหายอยู่มนนั่น เป็นเงินเป็นทองอะไรขอมีค่าอย่พราเก็บได้แท้คนนึกสงสารเจ้าของเออถ้าว่าเราเอาไปนี่เขาก็จะไม่มีใช้เขาก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เอาไปคืนเขาสดีกว่าเขาจะได้เงินทองนี่ไปใช้สอยเป็นสุขสบายไปสําหรับเราก็ต้องหาเอาด้วยลําพังตัวเองอย่าไปเอาของเพื่อนเลย ท่านบอกคิดได้อย่างนี้แล้วก็เอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาโคดธนาหาเจ้าของใครทราบข่าวที่เขาเป็นเจ้าของเงินแล้วเขาก็ไปติทโตกอบเจ้าหน้าที่แสดงหลักฐานขอรับเงินไปเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าการลาบบา ากับการทำบุญนะเป็นคู่กันอย่างนี้นะี่การที่เราเจตนาเอาเงินนั้นไปส่งคืนเจ้าของเขานะี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วทำไมจะไม่เป็นบุญเท่ากับว่าเราให้ทานไปนั้นแหละเพราะเงินก้อนนั้นน่ะถ้าเราเอาไปเสียก็ไม่มีใครไปทักทวงหรือจับกลุมท่องร้องได้เลยเพราะใครก็ไม่รู้นะี่ อ, อย่างนี้แหละการลาบบาปบาเพ็ญบุญยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องสองเรื่องแม่เรื่องอื่นก็เหมือนกั น, นพอเว้นจากความชัว่วอนั้นตแล้วมันก็ทำความดีทันทีเลยอันนี้เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำสั่งสอน ให้พุธ ท, ทธบริษัทกันละบาปและบำเพ็ญบุญเป็นคู่กันไปเลย <c oughs> แต่คนส่วนมากนั่นน่ะมันชอบใจอยู่กับบาปมันไม่อยากละบาปนี้แต่อ้างว่าถ้าละบาปแล้วจะได้กินอะไรเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อราบาปแล้วก็ไม่ได้กินอะไรแล้วไม่ได้ใช้อะไรแล้วอ้างแต่อย่างนี้เป็นพื้นเลยผู้อ้างเช่นนั้นแสดงว่าไม่มีปัญญาควรจะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนไม่ควรที่จะไปยอมต้นสารภาพกับบาปอย่างนั้น ว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้าบุคคลไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจากบาปได้หรือว่าละบาปได้แล้วไซพระศาสดาไม่สั่งสอนให้คนเราละบาปเลยคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะบาปเป็นสิ่งละได้แล้วพระองค์ก็ละให้คนทั้งหลายเห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วจนได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณ ก็เพราะพระองค์ละบาปนั่นเองถ้าพระองค์ไม่ละบาปหมดแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เลย <c oughs> ขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันบางคนก็ว่ามันเหลือวิสัยอันกิเลสนี่นะละไม่ไหวมัน ม, มีอุปสรรคอย่างนั้นอย่างนี้อ้างไปทั่ว นั่นแสดงว่าผู้นั้นชอบกับกิเลสโดยมองเห็นว่ากิเลสนั้นอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ดังนั้นจึงไม่ <c oughs> จึงไม่พอใจที่จะละกิเลสนั้นถ้าว่าโดยเหตุผลแล้วกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ควรละแท้ เพราะคำว่ากิเลสนี่แปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอารมณ์ใดเรื่องใดก็ตามเลยเมื่อมาถึงตนเข้าแล้วใจเศร้าหมองขุนมัวไปอันนั้นแหละท่านเรียกว่ากิเลสเมื่อใจเศร้าหมองขุนมัวไปแล้วมันก็มันก็ทำบาปได้บาปก็น่วงเหนียว จิตวิญญาณของผู้นั้นให้ทนทุกทรมานยูนในโลกนี้บ้างแล้วก็โลกหน้าบ้างโลกหน้าก็ได้แก่ย ม, มโลกนั่นแหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย mm hmm. เมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมานี้แนละ้ว mm hmm. พึ่งพากัน mm hmm. มีโยนิโสมนสิการพินิจพิจารณา ตามธรรมบรรยายที่แสดงให้ฟังมานี่นะให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าไปนึกว่าเรารู้แล้วล่ะเรื่องนี้นะเราเข้าใจแล้วเรื่องนี้นะไม่จำเป็นต้องพิจารณาอะไรให้มากมายหรอกรู้แล้วแต่ว่าสิ่งใดที่ท่านสอนให้ละหากไม่ยอมละรู้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้ารู้จริงอย่างนี้สิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษที่เราเคยทำมาแต่ก่อนนี้ก็ต้องละมันเสียอย่างนี้นะมันจึงความรู้อย่างนี้มันจึงเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นได้อันรู้นี่รู้ทุกคนนั่นแหละว่าสิ่งนี้เป็นบาสิ่งนี้เป็นบุญแต่รู้แล้วสิ่งใดเป็นบาปมันก็ไม่อยากละมันอยากสะสมมันไว้รู้แล้วว่าทำอย่างนี้เป็นบุญกุศล แต่มันก็ไม่อยากทำทั้งนี้ก็เพราะมันคากิเลสกิเลสมันจูงใจกิเลสมันห้ามไมา่ให้ทำตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้เห็นโทษแทงบาปความชั่วทั้งหลายและพิจารณาให้เห็นคุณ แห่งการสั่งสมบุญกุศลหรือการละกิเลสตัณหาบาปประธรรมดังบรรยายให้ฟังมานี้แล้วผู้นั้นก็จะมีความสุขอันสดใสดังแสดงมา